การฟังทำกันตามการตามเวลาการนัธรรมสวนาังเอตามังกระมุตตมังการฟังธรรมตามการแต่เวลาเป็นองค์คนปรสงสุดการเดาธรรมชวนาังมาฉากระฉาเอตามังกละมุตตมังการสุดนาธรรมตามการ ตามเวลาเป็นมงคลใ น, นสูงสุดชีวิตเราต้องพัฒนาต้องศึกษาต้องพัฒนาให้มันดีวกว่าเก่าเอาเสกันได้ยินได้ฟังมีผู้พู ด, พดมีผู้ฟังฟังหูวห้หูอย่า่วนรับอย่า่วนไปเฉยฟังอย่างฟังแล้วออกไปทำ เอาไปทำดูบางอย่างฟังแล้วคิดดูเรามีกายมีใจมีหูด้ยินเสียงยินเสียงบอกเสียงเตือนเราก็ได้บา เ, เรียนได้ความรู้ถาเราไม่ฟังไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนหูหนวกคนตาบอด มื่อเราไปเรียนหนังสือในครูก็อบอกก็อสอนอก็ไก่ขอไข่เราก็ได้ยินครูก็บอกให้เราหัดเขียนเราก็หัดเขียนหัดเขียนก็ทั้งเห็นทั้งทั้งได้ยินทั้งหัดเขียนการเห็นเป็นเสียงตาการได้ยินเป็นเสียงของหู กนาเขียนเป็นเรื่องของกายมันจึงเป็นเขียนหนังสือเป็นอ่านหนังสือออกรู้ตัวหนังสือตอวนี้ก็ไม่ต้องไปมีคนบอกไม่ต้องหงัดมันเป็นแล้วตัวหนังสืออยู่ในชีวิตของเราหมดนี่คือมนุษย์คือคนไม่เหมือนาชาติ์โดยสาน ถ้าหัดให้รู้มันก็รู้หัดให้ทำเป็นก็ทำเป็นถ้าไม่หัดไม่รู้ไม่ฟังอะไรเลยก็ไม่มีอะไรรู้ดีกว่าเก่าอ่านสื่อก็ไม่ออกเขียนสื่อก็ไม่เป็นแต่บางอย่าง ก, ก็หัดพูดภาษาให้มันถูกต้องประทักขีนังประทักขีนัง ปทักเคนังปะทักขคนังปะทาขเคนังปะทาเขียงเสืลา <laughs> ไปมฮเนเสียงไม่หันเจียงจะล า, าจาโมตัศภคะวะโตอระหะโตส้มมาซ้มพุท ธ, ธทสะตันะ้นถูกต้องจะว่าตัศซ้อมมาส้มพุทธตัศไม่ใช่ต่อตัดตัวเต่าไม่หัน ต่เตเป็นเป็นธอธงพัท ส, สัจเมสุวมชาจลาไม่ใช่ไม่ใช่สาลากาเมสุวมชาจลาเวร ม, มานิเมสลาสลสล า, าว่ า, าให้มันถูกต้องอยาให้มันเพี้ยนไปกาสาวิปริตแล้วก็ไม่สมบูรณ์เย็น การอุปสมบทกรมเน่เพียนไปได้ที่ว่าอุปสมบทพิบัติโูชาต้องฟังภาษากรรมวจาจารสวดให้มันถูกต้องการเรียนการรู้การหัดน่ต้องพอสมควรต้องมาหัดปฏิบัติธรรมในคำสอนของพระเจ้าเพียงแต่พูดว่า ให้มีสติดูกายกายานุปจนนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายสติไม่ใช่ตาสติมันก็ไม่ใช่อะไรมันเป็นทั้งกายทั้งใจให้มันเป็นตัวรู้เขาปล่อนไหนที่มันจะเกิดความรู้ที่เป็นวัตถุเอากายเอาลมหายใจ กายเป็นของหยาบลมหายใจเป็นของกลางกลางแต่ความคิดเป็นของละเอียดหัดจับความหยาบไปก่อนแล้วก็หัดทำกลางกลางลมหายใจแล้วก็ไปหัดจิตที่มันคิดให้มันรู้ก็หว่านเหตดกายไปกับกายมันก็รู้ได้ดีแล้วมาหัดไปกับลมหายใจมันก็รู้ได้ดี อาจไปกับความคิดก็รู้ได้ดีอ่านรู้อ่นเก่าความรู้ที่ที่กายมันก็คือความรู้ความรู้ที่ลมหายใจก็คือความรู้ความรู้ที่ความคิดที่มันเคลื่อนไหวก็คือความรู้โดยทั่วก็ไม่มีทั้งหมดเลยลมหายใจก็ไม่มีกายก็ไม่มีเจริคิดที่มันทําให้รู้จะต้องฝึกหัดกับความรู้คือที่มันคิดไม่มี มันมีตัวรู้หมดแล้วมัอนกับเราเรียนหนังสือไม่ต้องไปอาศัยสมุดปากกาอาศัยกระดานแล้ก็รู้อยู่แล้วใ จ, จ, จ, จคิดใจเขียนก็เขียนได้ทันทีเกามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นตัวรู้มันเป็นคือว่ามันเป็นนั่นแหละนะกับบุรุษผู้ฝึกโพถึก โคก็มีคนผู้ฝึกก็มีจะฝึกโคฝึกแต่ยังไม่ฝึกก็ใช่ไม่ได้โคแต่โคด้านตั้งแม่มันจะถึกดุร้ายขนาดานไหนมันก็ก็จะสอนได้มันมีที่จับอยู่มีเสื้อห้อยจมูกมันอยู่โคถึกตั้งตัวสีดำปึด้ด แต่ว่ามีเขาขาวตรงจมูกมันนิดหน่อยหมือนก็จิตใจของเราที่มันดูร้ายแต่มันก็ไม่มีดูร้ายเสมอไปมันไม่หลงเสมอไปมันไม่ทุกข์มันไม่โกรธเสมอไปมันมีช่องสางซาอยู่อตรงที่มันสางซามันเป็นจางนั่นจุดขาว จุดที่มันไม่รู้มันมืดทึบน่นเป็นจุดปอดเป็นจุดดําเป็นบาปเป็นอกุศลแต่บุตรก็ต้องหัดจับมันดูก่อนวิธีจะจับโกถิกได้ต้องมีเครื่องล้อเอาญ้าไปล้อเมื่อล้อก็จับได้จับที่แรกก็วิ่งเราก็ดึงสู้มันไม่ได้ปล่อยมันไปก่อนยอนย้อนย้อนย้อนเชือกมันเราจับ หัจับคว้ยใ ห, ใหม่แล้วย่อนไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปทํากำมนแรงแล้วก็ค่อยเดือดาไปม า, มาไม่เคยเชื่อจิตของเราไม่เคยสอนแล้วก็พยศว่ามันคิดดางนั้นชิดดัง น, น, ดดงนี้มันนี่อารมณ์เป็นอาการที่เกิดกับจิตมันเคยตัวเคยชินแล้วก็สอนมัน มันโบถึกที่มันวิ่งไปดืองมันไว้สักหน่อยให้มันรูกจักดึงแต่ก่อนไม่รู้จักดึงอะไรจะไปไหนก็ไปต้องเที่ยวไปในวัตฏะอะไระได้วันกับเราฝึกตัวเรานี่แหละันชิดไปกลับมาเนี่ยในเชือกคือสติมีวัตถุปกรณ์มีกายมีใจ ตองหัวต้งหัวผัถืกต้องเชือกต้องคนไปรู้จักดึงรู้จักหยุดลุกจากปล่อยพอมันรู้จา ก, กเชือกว่ามันก็สีสขาวขึ้นมาเต็มหน้าโอ้มันมีตัวหลงมันมีตัวลูกมันมีแล้วหัวผัเถือกตัวนั้นสีขาวขึ้นมาตรงหน้าแล้วเปิดไปเปิดไปเปิไป อาจจะวางเชือกบางทีหัดให้มันเดินข้างหน้าหัดให้มันเดินตามข้างหลังให้มันเดินไปทางซ้ายทางขวาหัดให้มันไปหัดให้มันหยดุดนั่นเราสอนวัวสอนควายที่เราหัดหมานั้นแหละหัดจิตหัดใจของเราก็เหมือนกันมันไม่อยู่กับกายมันหนีไปเมือนกับโคเถึก พลยถึกมันอยู่ในโคกแต่มันไม่อยู่ในอำนาจเรามันก็ใช้มันไม่ได้ใช้งานมันไม่ได้เราเจะมาหัดให้มันใช้งานได้ให้มันหมดประโยชน์หมดพิษจิตใจของเราเหมือนกันกายของเราก็เหมือนกันยังมีพิษต่อกายมีพิษต่อใจใจมีพิษต่อใจ กายก็มีพิษต่อกายกายมีพิษต่อใจใจมีพิษต่อกายนั่นเลยว่าไม่ได้ฝึกการสอนตัวเองก็เหมือนกันนะ่ะไปมาจากือดำค่อยขาวถึงคอถึงขาหน้าถ้ามังขาวถึงกลางตัวเลยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งไปแล้วอาจจะปล่อยเชือก จะปล่อยเชือกได้บางทีมัก็บอกให้เดินไปข้างหน้าก็เดินไปให้มันเดินตามมาก็เดินตามามาเขาไปถึงขาหลังเจ้าของนอนมันก็นอนด้วยเจ้าของลูกก็ลูกด้วยเจ้าของไปไหนก็ไปด้วยไม่ต้องสอนมันต่อไปเขาหมดทั้งตัวเจ้าของคนเปิดก็ เวลานอนขี่หลังโคได้เปูขวีเอ็นไหมขี่โคเปูขวีนะเวลานอนเรานั่งหลังโคนะั่นปูขวีโตโตโ ต, โตโตโตได้ไม่ได้มีภาระแล้วโคเถิดหมดประโยชน์แล้วน้อยกับเราปกตัวเองเวลานอนก็นอนเวลาไปไหนก็อยู่ด้วยกัน เฉพาะเรื่องผลที่สุดผลที่สุดผลที่สุดคนก็หายโคก็หายว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัตนนั้นแต่ว่าความไม่มีไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วปูหายไปคนหายไปไม่แต่ว่างว่างเนี่ยเราจะไปสร้างจังหวะไปเดินจกมกองเวลาเจ็บไข้หรือป่วยไม่ได้ มันมีการเกิดการแก่การเจ็บ ก, ก, การตายอยู่แล้วก็มีก็ไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไ, ไม่ตายอันนั้นแหละคือว่างเปล่าครูก็หายคนก็หายผู้เจ็บก็มีผู้แก่ไม่มีผู้ตายก็ไม่มีอันนี้เห็นภาพมาจากทิเบตการสอนศาสนาแบบทิเบต อ๋อเรื่องโคกับคนเป็นบุคลาธิฐานแต่ก่อนเราก็มีภาพที่เป็นภาพสไล่เครื่องสไลด์เฉลยก็มีไม่ไปพูดเอาเฉยๆได้หลักฐานมาอย่างนี้อ๋สไล่นี้เอามาจากสวนโมกลงหอศพทางวิญญาณเอาคัดถ่ายออกมา จากที่เบรคการฝึกเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่จะมาอดเวลามันโกรธไม่ใช่เลยมืนโอ้ที่มันฝึกได้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นภาระเชื่องแล้วกายใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันจึงเป็นประเสดเป็นจัดประเสด เจวดาเป็นอินเป็นพรมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจะได้ถึงมรรคผลนิพพานเพราะวันมีหลงมีรู้มีสุขมีทุกข์ร้อยเเซ็น์ทุกคนเคยหลงทุกคนเคยรู้ทุกคนเคยสุขเคยทุกข์มีกิเลสตัางหาลาคะมีภัยบาทมีตังเลยสงสัยมีอาการากต่างๆเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอง เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วไม่ค่อยฝึกปล่อยมันไปมันก็เป็นโคถึกพิษตัวเองให้เจ็บปวดกายก็ทำให้กายเจ็บปวดใจก็ทำให้ใจเจ็บปวด็นโรคภัยไข้เจ็บ เ, เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้นโรคเอดส์บ้างโรคอะไรต่างๆสารพัดอย่างจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรม เป็นโลกเมายาเกิดจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนต้นไผ่เป็นด้ามให้จอบให้เสียมมันก็เอาจอบะไาเสียมมาทวนกอไผ่อีกฝุ่ยไผ่ย่อมฆ่าก่อไัยฉันเลยน่างมา้าจะดรก็ฆ่าม้าหัดจะดเองก่้วยก็ย่อมฆ่าต้นก่วยเองไม่ดำหรอกโลกออกผลก็ต้องตาย เต่บาคนไม่เป็นเช่นนั้นงานประเสริฐกว่านั้นเวลามันหลงไม่หลงร่าอยู่เวลามันโกรธไม่โกรธร่าอยู่เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ร่าอยู่เว้ยเรามันเกิดเก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้อยู่คือธรรมะคือมันไม่มีอะไรตูแล้วไม่มีอะไรเพรามันเห็นตั้งแต่ได้หลักฐานตั้งแต่กายสักว่ากาย ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาอะไรที่มันเกิดกับกายร้อนก็คือกูหนาวคือกูหิว อ, อะไรปวดก็คือหโหดพอดูไปดูไปไม่ใช่กูเลยเป็นตายเป็นอาการของกายมันต้องมีอาการใครก็มีอาการกมัาารตนตอบสนองทำดีๆคนก็หลังเกลียดมันมีอาการมันเบื่อไม่อยากฟังทำ บางทีพาสวดยะถาไปจังเวลาฉันข้าวเวทบาโตจะปกโรนิสโจนิชิโวนิสโตสนโยแปลเป็นภาษาไทยด้วยเป็นขอนหน้าเกลียดจังยิ่งไปด้วยกันอาเกียนออกก็มีบางคนนะก็พูดย ะ, ะถาไปจังพระหวังโลกมาบอกโอ้ ย, ย่าพาสวดต่ของพ่อมันอาเกียนเั็นขี้เหร่ ไม่อยากฟังเวลาสวดเฉยๆก็ปงแต่งไว้จนถึงเอาเขียนเราพูดเฉยๆฟังเฉยๆเห็นเฉยๆเกิดจิเลตานหาอยากได้อยากมีมันมันมีความเบื่อมันมีความไม่เบื่อในอาการต่างๆที่มันเกิดกับตายกับใจเนี่ยเราจึงฝึกหัดน่ใช่ถูก ก็เป็นประโยชน์ถ้าใช่ไม่ถูกก็เป็นโทษบางทีสอนดีๆถ้าไม่สุปโภรีก็โกรธห้าไม่กินเหล้าก็โกรธจะมาห้ามผมเลยหลวงพ่อผมอยู่ได้เพราะอันนี้แหละถ้าไม่ให้ผมกินเหล้าผมข้าหนตายวัละหลายคนแล้วเพราะว่ามันดีถ้าได้กินเหล้าแล้วมันดีใก่มันดีถ้าไม่จินเหล้ามันเดือดร้อน อย่ามาห้ามผมเลยตัวใครตัวมันผมรู้ตัวเองดีกว่าก็แม่หลวงพ่อคนธรรมมาเอาแม่ไปปฏิบัติธรรมที่พุทธยานเมืองเลยหลวพ่อแนะนก่อแม่ไปหลวงพ่อก่อแม่ไปแม่หลวงพ่อไม่กินหมากแม่หลวงพ่อคนธรรมกินหมากพอไปแล้วก็ตอกนี้เลิกกินหมาก แน่หลวงพ่ออันธรรมบอกว่าอย่ามาหามแม่ถอถ้าไว้จินหมากก็จะให้กินเข่าดีกว่าว่าเอาอย่างนั้นเลยถ้ามาให้แม่จินหมากก็บ่กให้กินเข่าดีกว่าเมื่อแม่นดอกแม่เมื่อแม่นจกนักดอยเมื่อแม่ว่าวด้วยนะไม่ใช่แม่พูดนะหมากเปนพูดดอกแม่ แม่ไปไพูดไปแม่ดอกหมากนพูดไม่กินหมา ก, ก็ไม่กินข้าวหมามันพูดไม่ใช่ญแม่พูดเอาไปมาก็ช่วยกันไปช่วนมาเลิกกินหมากได้หน้าแดงกับปานเลยบางทีก็ขวนกระแสะอย่างรุนแรงเหมือนจับโคลจับไปแรกก็ วิ่งเชือกบาดมือจนเจ็บหมล้วการฝึกตนเดงก็ต้องอดต้องทนบ้างให้อ่อนโยนในสิ่งที่อ่อนโยนให้เข้มแข็งในสิ่งที่เข้มแข็งสิ่งที่อ่อนโยนกลายเป็นการอ่อนแอสิ่งที่เข้มแข็งแท้มแข็งกระด้างก็ไม่คดีเ ว, วลามันหลงรู้หัวเลาะยิ้มยิ้มเล็กน่อยเวยลามันโกรธ ยิ้มๆจักหน่อยเปลี่ยนทิศทางมันหนร่อนมันเป็นเย็นจักหน่อยเอาไปมามีนิสัยได้ง่ายๆนี่าการฝึกตนสอนตนนะเราจริงๆเราจะไม่มีแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราคนเดียวนะก็ไม่หงัดซาให้มันเป็นแล้วก็จะเป็นภรรยไป นานเล่าไรไม่รู้ต้าหัดแล้วออก็จบกันดีหลงเป็นขั้สขงสุดท้ายทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายโกรธเป็นขั้งสุดท้ายบาละเป็นปัญญาไปปัญหาเป็นปัญญาไปได้ปัญญาเพราะมันหลงได้ปัญญาเพราะมันโกรธได้ปัญญาเพราะมันทุกข์แต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลง นมันหาได้อย่างนี้ชืวิของเราลนะขอท้าทายชีวิตของเราขอร่วมมือขอพูดตามพระพุทธเจ้าของเราพระศาตราของเราพระศาตราของเราเห็นเรื่งนี้สอนเหื่อนี้พระสาวโบกทั้งหลายก็รู้เรื่องนกัน มีแต่ทุกข์ท่า น, น, นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ท่านตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ท่านหลับไปอานจะเหลืออะไรบ้าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปก็ไม่มีอะไรเหลืออย่างเราสวดพระสูตสรสัจัยพระสูตรโดยย่ออวทานขันตั้งหะเป็นตัวทุกข์รูปังอริจัง เวาอนิจจาศัญญาอนิจจสังขารอนิจจวิญญาณังอนิจจอนิจฉังอนัตตาไหนจังไม่เที่ยงอนัตตามใช่ตัวตนจึงใด้เป็นไหนจังจึงได้เป็นอนัตตาจะแดงว่าใช่ไม่ได้เปลี่ยนได้เอามาเป็นปัญญาอนิจจ์เอามาเป็นปัญหาเป็นทุกข์เป็นโทษ อนิจจมาเป็นปัญญาอนัตตมาเป็นปัญญาอนัตตมาเป็นทุกข์เป็นโทษเราเฉยใจร้องให้เพราะอนตะัตตเราเฉยใจร้องให้เพราะอนิจจในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในสิ่งทั้งหลายท่านเจ้าเอาเรื่องนี้ว่าเป็นนิพพานไม่ใช่ออกมาเป็นปัญหาเป็นปัญญาไปเลยเห็นเรื่องนี้แท้ ตัวเจ้าตัดชะลุอริจัดสี่เุทุกเหตุได้เกิดทุกดอกทุกตอบทุ ก, ดทกได้แล้วเราพ้นาฟมาทุกวันนี้พอเราเห็นเห็นงูงูมาโดยการเราเห็นภัยเราก็ไม่มีภยัยข้ามถนนทางเราเห็นรถเห็นลาแล้วก็ไม่ถูกรถชนเราเห็นอันนี้เห็นเป็นวัตถุในโลกเราเห็นที่เป็น ปัญญาเห็นแจ้งเป็นวิปัชนามันเห็นรอบรอบโลกในกายในใจอันเดียวกันทุกคนเห็นอันเดียวกันทุกคนก็หมดปัญหาเดียวกันอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นก็ามาเห็นตรงนี้ก็มีปัญหาแต่ตัวเองเป็นหาต่อคนอื่นเลยไปเราจึงมาดูก็ไม่ดูก็ไม่เห็น คอยมันเป็นแล้วเกิดแล้วจึงเห็นมาก็ไม่ทันนดีแจ้มาได้เช่นเราเก็บเพื่ด้กป่วยจึงไปหาหมอมันก็แจ้ได้ว่างแก้ไม่ได้ได ว, าวด่า ง, างต้องการดีกว่าการแก้ไขเห็นไว้ก่อนควไม่เที่ยงเห็นตั้งแต่หนุ่มสาวสาวนนท์ตัวไม่เชื่อตัวตนก็มันเห็นมาตั้งแต่หนุ่มนุ่มสาวสาวนน เราเห็นควนามไมเที่ยงต่อเมื่อแต่เท่า ว, วนนางชิรีมาสมัยครั้งปฏิการมีชื่อชิริมาหลายคนนะแต่ว่าคนงามนางชิริมหาายาราะเทวีของพระเจ้าสุโทธท้าชิริมหาายานางชิริมามีหลายคน ชอบสวยชอบงามเป็นอรคดีสีของพระเจ้าพิมพิสารเลยใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารชวนไปวัดไม่อยากไปก็จะเศร้าหมองอยู่ในห้องตกเนื้นแต่งตัวอยู่เสมอสวยงามเอาเจ้าพิมพิสารก็ลำพันเรื่องสวยควาสวยงามของปีรุวันให้ สีมาฟังไปด้วยวันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้มีสะสวยงามมีกอไผ่อันดงไผ่ท่านติ๊กนะ่ะเดินไปทางนู้นนะสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้นะเอเดวันเนี่ยถ้าไม่เห็นเราจะผิดพลาดโอกาสแล้วมีพระพุทธเจ้ามีเราพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย อยู่แถบนั้นสง่างามทิะรอบสะเป็นถนนห น, นทางทางทิศตะวันตกของสะเป็นต้นไม้ใหญ่่างทิศใต้ของสะเป็นป่าไผ่ทิศใต้แถวันออกเป็นป่าไต่ทางทิศเหนือเป็นที่อยู่ของหมูสงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อันลณาเรื่องควา ม, ามงามความเวทุกข์หให้ศิลมาฟังโดยที่สุดสิมาก็มาดูพอมาดูก็พระเจ้าก็เตรียมท่าจะสอนสิลมากนม็นิมิตนิมิตเสธถาทุลปัณณ์เกิดขึ้นเวลาพระเจ้านั่งทำนักอยู่ศิลมามากราบไหวพระเจ้าเป็นฌาน เตติมิตคนงามสางามนั่งฟังเทศพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วจีมาเห็นผู้หญิงคนนั้นสูงโขยงามที่สุดนึกว่าตัวงามที่สุดเราสู้คนนั้นไม่ได้เหมือนนันท์เห็นสาวงามนี่แรกก็นึกว่าเมียของตัวงามพอเห็นคนที่หึงที่สองก็งามกว่าเมียเจ้าก็จีมาเห็นคนนั้นนั่งฟังเทศเจ้าก่อน งามที่สุดอีมาไม่ได้ฟังพู้เจ้าเทดเลยมองช่องอิจฉาใช่ไหมขคน ง, งามเนละอิจฉากันนะเ็นเขางามกว่าตัวเองก็อิจฉากันนะอ่ก็โลบเหลีกได้มันตาไปก่อนชี้เหลเวลาไปจีบสาวห น, น่ถ้าเขางามกว่าก็สู้หรอกไม่ดีนะอาชีมาก็ยิดงเหมือนกันนะเห็น พระเจ้าพิมสารก็กลัวพระเจ้าพาิมสารจะชอบคนนั้นมากกว่าเราอิจฉามาเบาเยงคนงานก็ดูไปดูไปก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่งแก่ ง, งนเหี่ยวหน่องหยนหนองยอนองหงอกออกมาหญิงคนานก็ตายไปแกเหม็นเน่าเกิดนิมิตมา การดูโฟังกลองสิริมาสะดุ้งขึนมาโอ้เราเนี่ยจะมาเพลิอนอยู่ในความงามของเราไหมไม่ต้องแก่ต้องเท่าต้องเก็บต้องต่อหันมาเศร้าหมองสรุปใจว่าต้องแก่ต้องเก็ บ, ต, ต, ต, ก ต, กบต้องต่อแน่นอนจะงามขนาดไหนเพิไปไม่ได้เป็นเกิดนิมิตขึ้นมาโดยจด ปฏิบัติธรรมไปชวนพระเจ้าวิสารไปฟังเทสฟังธรรมทุกคนได้บรรลุธรรมเลยใช่ไหมเพราะความงามแค่ความงามา ม, งา ม, มองเฉงความงามมองเฉยความไม่งามด่าหลงในความงามด่าหลงในความไม่งามทำไม่ได้ทั้งสองอันไอคนที่สเลยมาจิลิมาไอคนหนึง่งคนงาม พระสงฆ์เนะ่ะชอบเห็นจีมา ก, ก็เท่าไดใจไม่อยู่ไม่ย่อนเพราะก็มีจิเลเสมันนะพระสงฆ์ทั้งปวงเนี่ยเจ็บใจเพราะเห็นจีม า, นะ ม, ามาก็ชอบจีมามากจีมาเนี่ยก็เลือกคนงามเมืองนะแต่งานไม่ได้เกิดสงขามต้องเป็นคนกลางต่างใจไม่มีเงินไม่ทองก็มาสมสู่ได้เกิดโลก ตายลงก็เล่าเลยถึงลทุตๆไปก็กดนามที่จุดเยีเ่ยมที่จุดก็เลยเอาผู้เจ้าเลยเอาบอกให้ออกมาตายปัจจุบันนะบอกให้ออกมาวางไว้ป่าชาผีดิบไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาให้พระไปดูแต่แรกใตจะเป็นคนนั่นมีแต่คนต้องการพอตายลงไป ยยกให้ไกลก็แม่เอาเ่เน่งคุ้นมาลำเหืองน้ำไหลยยกให้ไกลก็มวเอายปสุดพระสงฆ์ก็เอาจิเหลสทําะไายีิเลสต้องนันดาแต่ก่อนชอบศิรมาเป็นจิตเป็นใจไปทีเดียวแต่ ว, ว่ามองอะไรให้เป็นยาสุดตรงมอง็นกลาง ตู้สึกตัวไว้จะให้มันหลงขนาดนั้นเสียเวลาแล้ ก, ก็อย่หลงในความรักมันเกียดก็อย่หลงในความเกลียดมันสุข ก, ก็จะหลงในความสุขมันทุกข์ก็อย่หลงในความทุกข์วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวตนะิเป็นข้าวกายศาสตร์ตาษากลางๆงหรือว่ากายศาสตร์ตาจาภาคเหนือระอว่าฉลา ก, กพัด ภาษาทางใต้เรียกบุญตายายใช่ไหมก็อยู่ทางใต้ไหบุญตายายต้าทางตอนเหนือของเราล่ะสลักกับพัดงานบุญวันนี้พระต้องเอาล่อน้าเขียนของเข้าวัดกันแล้เวเจอมึงเลยเนี่ยก็ไม่ทำมันเดียวนะเพระพระมีน้อยคนศรัทธา้าบ้านหนึ่งสองร้อยสามร้อยหลัลงคาเรือน สลากะพัดเกิดขึ้นทุกคนต้องทำบุญแต่พระน้อยสลากพระน้อยก็ต้องใหเอารวมกัน บ, นดนบนนดนนัดนี้เอาวัดนี้นวัดนี้เอาวัดด้านเอาวัดนี้วัดด้านเลยไปก็อนสลากะพัดจับฉลากให้พระกี่ลูกเห็นว่าวัดเราก็มากหน่อยพอที่จะวัดเบี่ยงกับชุมชนได้แต่ถ้าเอามาจับฉลากนี่เต็มที่แล้วบ้านเรา ส0สบหลังคาพระอาจจะมากกว่าแอบวัดบางวัดเน่ยพระน้อยบ้านใหญ่จับฉลากกับพระไอ้ชาวบ้านมาจับฉลากแต่ได้พระรูปใดเขียนใส่บาทฉลากจับเอาไปแต่ว่าพระมีสามรูปสี่รูปนะคนทั่งสองร้อยคนจับมก็ถือเอาจับสามข้างคนสามรอยคนจับสามข้างเพราะว่าพระ ไม่น้อยอพูดไม่ถูกจับยังไงว่าจับได้พระสี่0ีบห้าบก่อนต่อพระลูกเตียวแล้วก็มากันมากนะสละกับพรของเขานะเขาไม่ทำได้น้อยแนละ้วทุกอย่างเลยตาน่งพระหมที่นอนหมอนมุ้งตาาเคยไปรับเหมือนกันได้ใส่รถเข็นมาวัดบางทีสมัยหลวงตาไปรับ ที่จะไม่วังเลยนะก็มีสรงให้ด้วยสรงพ้าไหมงามนะรองตาอหนังนั่งใกล้ๆแล้วเห็นของกล่องของหลวงพ่อมีสรงเอาตะขิดหลงตาผมขอเปลี่ยนสรงเลยนะผมจะขอเปลี่ยนสรงเอาอะไรก็ได้ผ้าห่มนวมก็ได้นะเอาเย่ยางไรก็แล้วเวดีย๋ยวเดินเอาไว้ก่อนก็จะเอาเจอก็ หลังาก็ให้เอาเขาจงไปไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปเลยเอาล่อญาติเขียนมารละไจะแถวนะตลากระพัดนะต้บ้านภาคใต้ก็ บ, บนตายายบนตายายก็ทําทุกอย่างบ้านลันวากาเชศาสต ร, รธรรมดาธรรมดาแยกเข้าวสเข้าวสาดตอนกลางวันไม่มีกล่องข้ามมวนะาาา ม, ามันไม่เตินโตนะให้เดินห่อข้าวห่อข้อน้อยห่อข้าวย่อยแต่ไม่โบราณแม่นปะ ห่อข้าวใหญ่ไงให้พระห่อข้าวน้อยไปแจกข้าวนี่แหละ ว, ว่าตามประเพณีของคนวิชาญบ้านเราเป็นประเพณีสืบกันมาตั้งแต่สมยัยครั้งพุทธเจ้า